แถวนี้ผีดุเปรตครองระบายน้ำสวัสดีครับทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อยศอายุ35ปีอยากถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับพูดผีปิศาจที่ผมได้พบเจอมากับตัวเองเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาในช่วงนั้นผมได้แต่งงานกับภรรยาชาวอีสานและได้ย้ายบ้านไปอยู่กับภรรยาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคอีสาน บ้านที่ผมอยู่เป็นบ้านสองชั้นชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนด้านหน้าบ้านเป็นคลองระบายน้ําสมาชิกในบ้านก็มีพ่อตาแม่ยายผมและภรรยารวมทั้งหมด4ี่คนพ่อตาแม่ยายของผมเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นตรงคลองระบายน้ําหน้าบ้านเป็นเนินดินสูงๆซึง่งเป็นที่เก่าแก่และมีอัฐิมากเพราะเจ้าของบ้านหวงที่ดินเมื่อตายไปแล้วชาวบ้านเชื่อกันว่า เจ้าของที่ดินได้เกิดเป็นเปรตเฝ้าอยู่ตรงนั้นวันดีคืนดีก็จะมีคนพบเห็นผีเปรตมาขอส่วนบุญบ้างมาขออาหารกินบ้างถ้ามันอยากกินอาหารมักจะทำให้คนที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆคลองระบายน้ำมีอันเป็นไปเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยจนหาสาเหตุไม่พบและสุดท้ายต้องพึ่งหมอสัยศาสตร์หรือพวกทรงเจ้าพอดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ส่วนใหญ่ก็มักจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผีเปรตตรงคลองระบายน้าอยากกินอาหาร เมื่อเอาของไปเส้นไว้ก็จะหายเจ็บหายป่วยอย่างน่าประหลาดผมได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นระยะระยะตลอด5ปีเต็มผมก็ฟังฟังจากที่เขาเล่ามาแล้วก็ไม่ได้ออกความเห็นอะไรเพราะคิดว่าความเชื่อก็คือความเชื่อเขาคงจะเชื่อกันมาอย่างนั้นและผมก็ไม่คิดว่าจะมาพบเจอกับเรื่องราวประหลาดด้วยตนเองเมื่อเรื่องขีเปร t ครองระบายน้ําดเงเยียบหายไปประมาณหนึ่งปีกว่า แล้วมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อช่วงฤดูฝนปี2557ฝนตกลมาหนักมากทำให้คลองระบายน้ำอุดตันทั้งเศษหญ้าดินโครนต่างๆที่ทับถมทำให้ชาวบ้านต้องออกแรงมาช่วยกันขุดตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ขันอาสาช่วยเหลือด้วยการขุดคลองวันนั้นทั้งวันฝนก็ตกลงมาปรยปยต่างคนต่างเปียกปอนไปตามๆกันแต่ก็ถือว่าได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือจนเสร็จพอกลับถึงบ้านในตอนเย็น ผมก็ทําภารกิจปกติแล้วเข้านอนตั้งแต่หัวค่ําเพราะฝนตกแล้วอากาศจะค่อนข้างหนาวปกติแล้วคนในหมู่บ้านต่างจังหวัดแค่ทุ่มหรือสองทุ่มแต่ละบ้านก็ปิดไฟกันหมดแล้วละครับที่บ้านผมก็เช่นเดียวกันต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนอนผมนอนไปสักพักใหญ่ๆหญ่จนกระทั่งถึงประมาณห้าทุ่มเศษๆปรับสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยอาการจุกเสียดแน่นท้องได้คล้ายกับจะอาเจียนผมวิ่งลงไปเข้าห้องน้ําซึ่งอยู่ด้านหลังของบ้านและอาเจียนออกมา จนหมดไส้หมดพุงผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่แต่ไม่มีอาการเวียนหัวหรือปวดทายมีแต่อาการจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็อาเจียนเท่านั้นจึงคิดว่าอาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้หากพรุ่งนี้ไม่หายค่อยไปหาหมอแล้วกันจากนั้นจึงเดินเข้าบ้านเพื่อขึ้นไปนอนตามปกติขณะที่ผมกำลังจะปิดไฟหน้าบ้านแสงไฟจะส่องไปถึงตรงคลองระบายน้าพอดีผมเหลือไปเห็นเงาบางอย่างมีลักษณะเหมือนคน แต่รูปร่างมันสูงใหญ่ผิด ป, ปกติมันเคลื่อนที่เหมือนเดินไปเดินมาได้ผมก็คิดว่าตาฝาดหรือเปล่าหรือบางครั้งอาจจะเป็นเงาของต้นไม้ที่พัดโอนเอ็นก็ได้แต่แถานั้นก็ไม่ได้มีต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆนี่นาผมคงตาฝาดไปแน่ๆผมเพ่งมองเงานั้นอย่างสงสัยแต่ไม่นานเงาประหลาดก็ได้หายไปผมจึงไม่ได้สนใจอะไรปิดไฟแล้วขึ้นไปนอนเช้าวันต่อมาเริ่มมีอาการปวดแน่นท้อง จุกเสียดและท้องอืดมากขึ้นเรื่อยๆทานอาหารไปนิดเดียวก็อืดเต็มท้องแม้จะกินน้ำก็ยังกินไม่ได้แต่คราวนี้ไม่มีอาการอาเจียนมีแต่ท้องอืดอย่างเดียวผมรู้สึกเจ็บจุกเสียดในท้องและทรมานมากซื้อยาลดกรดหรือยาขับลมมากินก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยภรรยาจึงพาไปโรงพยาบาลหมอก็ซักถามประวัติต่างๆแล้วตรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติจึงให้ยาลดกรดยาขับลมมากินเหมือนอย่างเคยแต่ก็ไม่หาย วันนั้นทั้งวันผมทรมานอยู่กับอาการหิวแต่กินไม่ได้เพราะกินเข้าไปแล้วท้องอืดและแน่นเหมือนท้องจะแตกคืนที่2อาการท้องอืดทำให้ผมทรมานไม่น้อยเพราะนอกจากจะนอนไม่หลับแล้วยังต้องมาทนหิวอย่างทรมานนอนพลิกไปพลิกมาจนสุดท้ายด้วยความเหนื่อยล้าก็เผลอหลับไปและฝันว่าขณะที่ผมกําลังขุดคลองกับชาวบ้านอยู่นั้นได้มีผีเปรตตนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากคลอง ตัวมันสูงใหญ่มากเท่าเท่ากับต้นมะพร้าวเลยครับร่างกายเปลือยเปล่าและดําทั้งร่างเส้นผมยาวปิดใบหน้ามันชี้มาที่ผมแล้วบอกว่ากูหิวกูหิวเสียงนั้นดังกล้องในหูทำเอาผมต้องตื่นกลางดึกเพราะตกใจกับเสียงของเปรตในฝันแต่พอตื่นขึ้นมาก็คิดว่าผมคงได้ฟังได้ยินเรื่องราวของเปรตตรงครองระบายน้ํามากเกินไปอาจเก็บเอามาฝันก็ได้ จึงหยิบนาฬิกาบนหัวนอนขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นเวลาตีสี่กว่าแล้วขณะเดียวกันผมก็รู้สึกหิวมากๆแต่ท้องก็ยังอืดอยู่ไม่รู้จะทําอย่างไรเหมือนกันได้แต่นอนทรมานกับความหิวและนั่นท้องไปอย่างนั้นจนกระทั่งถึงเช้าวันต่อมาอาการก็ยังไม่ดีขึ้นภรรยาเห็นว่าผมอาจแย่ไปกว่านี้หากไม่พาไปหาหมอเธอจึงขับรถพาผมไปหาหมอในโรงพยาบาลเอกช น, นกเล็กๆแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดหมอได้ตรวจเช็คอาการอย่างละเอียดแล้ว แต่ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดปกติในช่องท้องของผมผมจึงต้องกินยาขับลมกินยาแก้ท้องผูกเพื่อให้ขับถ่ายออกมาแต่มันก็ไม่เป็นผลตอนนั้นผมคิดว่าคงต้องตายแน่ๆเพราะไม่เคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนและหาสาเหตุไม่เจอยาอะไรก็ช่วยไม่ได้ทั้งยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณก็ตามและผมจะทํำยังไงดีจนในที่สุดพ่อตากับแม่ยายได้พูดขึ้นมาว่าหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นกระทําก็ได้ เพราะอาการป่วยที่หาสาเหตุไม่พบมักจะมีสิ่งเร้นลับมาเกี่ยวข้องเสมอผมจึงเล่าเรื่องที่เห็นเงากระหลาดตรงคลองระบายน้ําและเล่าความฝันเมื่อคืนนี้ให้ฟังแกบอกว่าทางที่ดีต้องไปหาข้าวหาอาหารให้เปรตได้กินเพราะแต่ละปีจะมีคนเอาอาหารไปให้เปรตตนนั้นกินและปีนี้ก็ยังไม่มีใครทําเช่นนั้นเลยแกก็เลยบอกว่าให้เอาทู่ไปจุดบอกก่อนว่าพรุ่งนี้จะหาอาหารมาให้กินเพราะวันนี้ก็เย็นมากแล้วคงเตรียมอาหารไม่ทัน ผมก็ทําตามโดยการนำถ้วยไปจุดตรงคลองระบายน้ําและบอกกล่าวกับเปรตว่าจะเอาอาหารมาให้แต่อย่ามาจองเวรกับผมเลยเพื่อนบ้านละแวกนั้นที่รู้เรื่องราวก็เข้ามาพูดคุยกับผมและบอกว่าส่วนมากมันจะโดนกันเป็นประจําทุกปีอยู่ที่ว่าปีไหนมันจะเล่นงานใครเปรตต้นนี้เป็นเปรตนิสัยดุร้ายยิ่งหิวยิ่งดุแต่มันจะเลือกใครให้เอาอาหารมาให้กินก็ต่อเมื่อคนคนนั้นอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังดวงตกหรือช่วงที่จิตอ่อนแอ ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมันจะมาเล่นงานทันทีแต่ก็น่าจะจริงตามที่เขาบอกนะครับเพราะผมก็ไม่ได้นับถืออะไรเลยไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ได้ไหว้พระหรือสวดมนต์ก่อนนอนสักครั้งประกอบกับช่วงนี้ผมก็มีปัญหาในเรื่องงานทําให้จิตใจว้าวุ่นอาจเป็นไปได้ที่มันจะเข้ามาเล่นงานได้ง่ายๆ่ายคืนนั้นอาการปวดท้องแน่นท้องก็ยังไม่ทุเลาลงผมก็ได้แต่นอนอย่างทรมานโดยไม่มีทางที่จะนอนหลับตาลงได้ ราวเที่ยงคืนขณะที่ผมกําลังจะข่มตานอนเพียงชั่วขณะเดียวก็เห็นเงาบางอย่างรูปร่างสูงใหญ่ผิดปกติตัวดําผมยาวปิดหน้าชงโงกมามองหน้าผมระยะประชิดแล้วใช้มือที่ใหญ่ยาวของมันกดเข้าที่ท้องทำเอาผมปวดท้องจนร้องเสียงหลงภรรยาสะดุ้งตื่นแล้วเขย่าตัวผมทนึกว่าผมนอนละเมอแต่ผมมีสติครบถ้วนดีภาพของเงาดาทะมึนที่ปรากฏมาเพียงชั่วครู่ก็ได้หายไปและสิ่งที่ได้กลับมาคือความเจ็บปวด และแน่นช่วงท้องมากขึ้นเรื่อยๆผมเล่าเรื่องที่เห็นเมื่อครู่ให้ภรรยาฟังจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนทั้งผมและภรรยาต่างก็เชื่อว่ามันคือผีเปรตครองระบายน้ําที่เล่าขานกันมานานเพราะมันเป็นเปรตตัวเดียวกับที่ผมฝันเห็นมันในคืนแรกมันอาจจะมาเตือนหรือมาทําให้ผมรู้ว่ามันหิวมากและต้องการให้ผมเอาอาหารไปให้มันโดยเร็วเพราะอาการของความหิวโหยแต่กินไม่ได้นั้นคนโบรานได้บอกเล่าว่ามันคือเครื่องทรมานของเปรต หรกรรมที่เปรตได้รับจากสมัยที่ยังเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีความโลภมากมีความตระนีถี่เหนียวมากทําให้ตอนตายต้องกลายเป็นเปรตเปรตตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะมีความหวงแหนในที่ดินของตนไม่อยากให้ใครนําไปใช้จะผ่านไปสักกี่ร้อยกี่พันปีมันก็ยังคงไม่ไปเกิดในที่ที่ดีต้องมาเป็นเปรตที่ดุร้ายและทนหิวอยู่อย่างนี้และความหิวโหยแต่กินไม่ได้นี้เองทําให้ผมรับรู้ความรู้สึกเดียวกับมันเพราะมันคงทําให้รู้ว่าหิว แต่ไม่ได้กินนั้นมันทรมานขนาดไหนเช้าวันต่อมาผมจึงออกไปใส่บาตรอุทิศบุญให้กับเปรตตนนั้นแล้วนำเอาข้าวปลาอาหารไปให้กับเปรตที่คลองระบายน้ำจุดทูบบอกกล่าวว่าได้อุทิศบุญให้แล้วและนำข้าวปลาอาหารมาให้กินอย่าได้จองเวรจองกรรมกับผมอีกเลยหลังจากนั้นในช่วงบ่ายอาการแน่นท้องจุกเสียดค่อยๆลดลงจนกระทั่งหายเป็นปิตทิ้งในตอนเย็นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหะครับ ว่าผีเปรตนั้นมีอยู่จริงๆส่วนเปรตตรงคลองระบายน้ำที่ผมเจอนิสัยดูร้ายมากอย่างที่ได้บอกไปพ่อตากับแม่ยายบอกว่าบางคนที่ถูกเปรตเล่นงานอาจต้องเจ็บป่วยถึงกับเข้าโรงพยาบาล น, นานเป็นเดือนโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีกว่าจะรู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ทำเอาคนป่วยแทบกระอักเลือดเหมือนกันและมันคงจะทำแบบนี้ต่อๆไปจนกว่าจิตของมันจะปล่อยวางจากความหวงแหนในทรัพย์สมบัติคือที่ดินที่มันมีอยู่ กว่าจหมดวิบากกรรมตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนอาจหลายร้อยปีจนถึงพันปีก็เป็นไปได้ครับเพื่อนๆ เ, เ, เชื่อเรื่องผีเปรตกันไหมครับคอมเมนต์กันหน่อยหากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ